เมื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดพอหอมปากหอมคอแล้วพระมะคุเทศจึงบรรยายต่ออุปมาสามข้อ ซึ่งมาปรากฏแจมแจ้งแก่พระโพธิสัตว์ทำให้พระองค์เกิดความมั่นพระไทยว่าจาักตรัสรู้แน่นอนเพราะทรงหลีกออกจากกามได้อย่างเด็ดขาดทั้งพระไทยก็ไม่ได้ยินดีพอใจในกามอีกนับตั้งแต่ออกพนวดมาได้หกปีแล้วจึงทรงดำริที่จะบำเพ็ญทุกกระกิริยาอันเป็นข้อปฏิบัติที่นิยมกันว่าเป็นทางให้ตรัสรู้ได้ การบำเพ็ญทุกกรกิริยาคือการขมขีบีบคั้นทรมานร่างกายให้ลำบากซึ่งเป็นกิจยากที่บุคคลจะทำได้พระโพธิสัตว์ทรงทรมานพระวรากายเป็นสามวระดังนี้วระที่หนึ่งทรงกดพระทนด้วยพระทนและกดพระตาลุด้วยพระชีวหาไว้แน่นจนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะ เมื่อทรงเห็นว่าไม่เป็นหนทางที่ถูกจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นวาระที่สองคือทรงผ่อนกลั้นลมอัดสาสะปัดสาสะครั้นลมเดินได้ไม่สะดวกทางช่องพระนาศิกและช่องพระโอ์ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกันทั้งสองทำให้ปวดพระเสียนเสียดพระอุทธร้อนในพระวรากายเป็นกำลังแม้กระนั้นก็ยังไม่เป็นผล จึงทรงเปลี่ยนเป็นวรรคที่สามคือทรงอดพระกรยาหารผ่อนเสเวยวละน้อยเวละน้อยจนไม่เสเวยทำให้พระอรากายหิวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอาถิปรากฏทั่วพระวรากายเส้นพระโลมามีรากอันเน่าหลุดร่วงออกมาพระกำลังน้อยถอยลงจะเสด็จไปข้างไหนก็ส่วนล้ม ในขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกระกรริยาในวาระหนึ่งหนึ่งนั้นได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแม้พระวรากายกระวนกระวายไม่สงบระงับลงเลยแต่ทุกขเวทนานั้นก็มีอาจครอบงำพระอรทิทัยให้กระสับกระสายได้ทรงมีพระสติตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนปรารบความเพียรโดยมิท้อถอย จนเกือบสิ้นพระชนด้วยว่าอยู่มาวันหนึ่งทรงอ่อนพระกำลังเพราะทรงอิดโรยด้วยความหิวจนไม่สามารถจะทรงพระวรกายไว้ได้ก็ทรงวิสัญญีภาพล้มลงในที่แห่งนั้นเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาเห็นพระโพธิสัตว์นอนสลบสไลก็คิดว่าพระองค์มรณภาพครั้นใช้มืออังที่ปลายพระนาศิกเห็นว่า ยังมีลมหายใจอยู่จึงรีดนมแพะมาหยอดใส่ลงในพระโอษฐ์ไม่นานนักพระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระสติทรงพิจารณาข้อปฏิบัติที่บำเพ็ญอยู่และดำริว่าบุคคลในโลกนี้จะทำทุกกระกิริยาอย่างอุกฤษเพียงไรก็ทำได้เสมอพระองค์เท่านั้นจะทำให้ยิ่งไปกว่าพระองค์หาได้ไม่ในเมื่อพระองค์ ทรงทำอย่างอุกฤิเห็นปานนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณทุกกรกิริยามิใช่ทางตรัสรู้แน่ทางแห่งพระโพธิญาณที่ควรแก่การตรัสรู้ต้องเป็นมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเมื่อการบําเพ็ญเพียรทางกายไม่ทําให้บรรลุพระโพธิญาณ จึงทรงเปลี่ยนมาบําเพ็ญเพียรทางจิตและทรงกลับมาสวยพระกรยหารตามเดิมระหว่างที่พระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญทุกกระกิริยาอยู่นั้นได้มีนักบวชห้ารูปเรียกว่าคณะปัญจวคีได้แก่โกนทัญญะวัปปะพัทิยะมหานามะและอัศธิมาคอยปรนิบัติรับใช้ ด้วยหวังจะบรรลุความหลุดพ้นตามครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงเลิกบำเพ็ญทุ ก, กระกิริยาก็พากันคิดว่าพระองค์ทรงลักความเพียรพยายามแล้วจึงพากันเดินทางไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤรกะทายวันแขวงเมืองพาราณสีทิ้งพระองค์ไว้ที่ตำบลอุรุเวลาแห่งนั้น การจากไปของคณะปัญจวคีย์ยังผลดีให้เกิดแก่พระโพธิสัตว์เพราะทำให้พระองค์ทรงพบกับความสงบวิเวกยิ่งขึ้นบรรยากาศเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาทางจิตในตอนเช้าของวันเพ็ญเดือนวิสาขะนางสุชาดาบุตรีครหะบดีในตำบลอุรุเวลาไสา น, านิคมได้นาข้าวมัทุ ป, ปายาติใส่ถาดทองมาถวาย ด้วยคิดว่าพระโพธิสัตว์เป็นรุกขเทวดาเมื่อนางกระบังคมลา ก, กลับไปเรือนแล้วพระโพธิสัตว์ทรงลุกจากที่ประทับใต้ต้นนิโครทพฤกทรงถือถาดข้าวมะทุ ป, ปายาตเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประทับบายพระพักสู่บุรพาทิศทรงปั้นข้าวมะทุ ป, ปายาตเป็นก้อนๆได้สีก้ก้อ น, อนแล้วเสวยทั้งหมด จากนั้นทรงถือถาดลงไปสู่แม่น้ําตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะบรรลุพระโพธิญาณขอให้ถาดทองใบนั้นจงลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วทรงลอยถาดทองนั้นลงในแม่น้ําเนรัญชาราด้วยอนุภาพพระบารมีของพระองค์ที่ทรงบําเพ็ญมาบริบูรณ์ดีแล้วถาทองนั้น ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้นแสดงให้เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วจมลงตรงนาคพิพพแห่งพญากาลนาคราชพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงมั่นพระทัยว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนจึงเสด็จมายังดงไม้สาระริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรา ประทับภายใต้ร่มไม้สาลพฤกษ์ครั้นเวลาสายยันตะวันรอนอ่อนแสงลงทรงออกจากดงไม้สาละเสด็จดำเนินข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปสู่ควงไม้อัดสัทธพฤกษ์ระหว่างทางทรงพบพราหมณ์ชื่อโสธิยะซึ่งมีอาชีพตัดหญ้าขายโสธิยะพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสจึงน้อมถวายหญากุสะแปดกรมรพระโพธิสัตว์ ทรงรับยากกุสะแล้วเสด็จไปยังร่มไม้อสัสสทพฤกษ์ทรงอธิฐานว่าหากพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอบัลลังก์แก้วจงบังเกิดขึ้นรองรับพระสพัญญุตยานะที่นั้นวัดดลบัลลังก์แก้วอันวิจิตก็บังเกิดขึ้นสมดังพระทัยปรารถนาครั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นประทับนั่งบัลลังก์แก้ว พินพระพักไปยังบุรพาทิศหันพระปริสดางไปทางลำต้นอสัตถพฤกษ์ก่อนจะเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงตั้งสัจจะอธิฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายเราจะแห้งเหือดไปเหลือแต่นังเอ็นและกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุพระโพธิญาณเราจะไม่ลุกไปจากที่นั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกนี้ พระองค์ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเกินกว่าคนธรรมดาสามัญ น, นะคะนี่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกเพราะพระองค์สิ้นพระชนลงเสก่อนนางสาวสายใหญ่รักพูดด้วยความซาบซึ้งหลังจากที่ฟังการบรรยายด้วยใจจดใจต่อโยองฟังท่านบรรยายแล้วอยากจะร้องไห้ สงสารพระพุทธองค์ที่ทรงลำบากตรากตรำเพื่อความสุขของชาวโลกพระกรุณายิ่งใหญ่เหลือเกินโยมปลื้มใจที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้มาสแสวงบุญในแดนพุทธภูมิแห่งนี้โยมขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาทุกปีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้ามาไม่ไหวก็จะให้ลูกหลานอุ้มใส่รถเข็นพามา โยมผ่องใสพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นจนน้ำใสๆคลอหน่วยตาทั้งสองข้างถ้าผมยังไม่ตายจะมาเป็นเพื่อนคุณทุกปีนิมนต์หลวงพ่อมากับเราทุกปีนะครับโยมเสงพูดกับพัญญาแล้วจึงพูดกับท่านพระครูอาตา ม, มายังรับปากไม่ได้เพราะงานยุ่งมากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง ยังไม่รับปากท่านรู้ว่าการมาครั้งนี้เป็นทั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้ายท่านได้สำเร็จประโยชน์ตามคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้วการมาครั้งนี้ก็เพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดจริงเพราะต่อไปในอนาคตจะมีนักวิชาการ พยายามหาหลักฐานมาลบล้างและตั้งทฤษฎีใหม่ว่าพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยแม้ท่านจะรักบ้านเกิดเมืองนอนและมีความเป็นชาตินิยมเข้มข้นเพียงไรก็ไม่อาจยอมรับทฤษฎีใหม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในคำพีพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมาอุบัติ ที่ชมพูทวีปเท่านั้นท่านมั่นใจในพระปัญญาตรัสรู้ของพระโคตมะพุทธเจ้าที่ส่งพยากรไว้พระมะคุเทศให้โอกาสญาติโยมได้แสดงความเห็นพอสมควรแล้วจึงบรรยายต่อเมื่อได้ทรงตั้งสัจจะอธิฐานแล้วพระภูทิสัตว์ได้ประทับบำเพ็ญจิตตะภาวนา อยู่ภายใต้ควงไม้อัศวันนั้นบรรดาเทพยาดาทั้งหลายต่างพากันชื่นชมสมณัตนำบุปผามาลัยมาสักการะบูชาเปล่งสิงโห่ร้องแซ่ซองสาธุการฝ่ายเท้าวสวสดีมานได้สะดับเสียงสาธุการของเหล่าเทพยาดาก็ทราบชัดในพระไยว่าพระโพธิสัตว์จักตรัสรู้พระสัพพัญญุตยาน ทำลายบ่วงมานที่ตนวางขึงรัดรึงไว้แล้วหลุดพ้นไปได้ก็มีจิตริสยาเป่าประกาศเรียกพลเสนามามากมายหมายจะไปทําลายล้างผลาญให้แหลกลานในพริบตาจึงขี่ช้างชื่อครีเมฆระแล้วเนรมิรมือพันมือถืออาวุธพร้อมนำกองทัพเหาะลงมาล้อมเขตขันบันลลังก์แก้วไว้แน่นหนา พวกเทพยดาที่มาห้อมล้อมถวายสักการะบูชาพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเท้าวัสวัตดีมารยกพะหลพลโยธามรุกรานเช่นนั้นต่างตกใจกลัวอกสันขวัญหายพากันหนีไปจนสุดขอบจักรวาลทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้แต่ลําพังพระโพธิสัตว์ไม่ทรงแลเห็นใครที่ไหนจะช่วยได้ก็ทรงระลึกถึงบารมี ที่ส่งบำเพ็ญมาทั้ง10ประการมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบขาในแต่ละประการก็สรงบำเพ็ญได้ครบทั้งสมระดับคือระดับบารมีระดับอุปบารมีและระดับปรมัตถบารมี การบำเพ็ญบารมีมาครบท้วนประมวลแล้วได้ถึงส0สบทัตเช่นนี้มีหรือที่จะกลัวท้าวสวัสดีมานและเสนาเหตุนี้จึงประทับสงบนิ่งอยู่ฝ่ายท้าวสวัสดีมานขันเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนิ่งมิได้ไหวติงหรือแม้แต่ไวหววันก็โกรธส่งเสียงร้องสั่งให้พลเสนามานเข้าประจุพระโพธิสัตว์ พุ่งสัด ส, สตราวุธทุกชนิดซึ่งมีพิษร้ายบรรดาสตราวุธก็กลับกลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระโพธิสัตย์ยังความโทมนต์ให้เกิดแก่ท้าวสวัสดีมารเป็นล้นพ้นกระนั้นก็ยังผจญต่อไปโดยการกล่าวตูด้วยสันดานผ่านวิสัยว่าดูก่อนสิท ธ, ธะบรรลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญค่าเป็นของสมควรแก่ข่า เจ้าหามีบุญไม่จึงไม่สมควรนั่งจงลุกลีกไปอย่าได้ช้าพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าดูก่อนพญามารบัลลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญบารมีที่เราได้บำเพ็ญมาหลายอสงไขยกับนับประมาณไม่ได้บัลลังแก้วจึงสมควรแก่เราเท่านั้นหาสมควรแก่ผู้อื่นไม่ท้าวสวัสดีมาน จึงท้าให้พระโพธิสัตว์หาพยานมายืนยันด้วยเห็นว่าพระองค์จะไม่สามารถหาพยานได้เพราะแม้ถุยเทพยดาก็พากันหนีไปหมดเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ทรงเห็นผู้อื่นใดที่จะกล้ามาเป็นสักขีพยานได้จึงตรัสเรียกแม่ธรณีนามวสุนทราว่าดูก่อนวสุนทรานางจงมาเป็นสักขีพยานในการบ่เพนบรมีของเรา ในการระบตินี้ด้วยเถิดแม่ธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีทำอัญชลีถวายอภิวาทพระโพธิสัตว์และประกาศให้ท้าววัสวดีมานทราบว่าพระสิท ธ, ธะบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมากมายมหาศาลตลอดกาลนานหลือจักข น, นับแต่น้ำกรดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมมารองรับก็มากพอ ที่จะเป็นหลักฐานได้ว่าแล้วก็ประจงหัดอันงามปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดที่สะสมไว้เป็นอเนกชาติให้ไหลหลังออกมาแล้วเป็นทะเลหลวงท่วมทัพพญามารและเสนาทั้งปวงให้จมลงกำลังแห่งน้ำได้พุ่งซัดพัดเอาช้างคลีเมฆละให้ถอยร่นออกไปจนติดขอบจักรวาล เท้าสวัสดีมานตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์จึงประนมหัตนมสการย่อมปราชัยแพ้พ้ายบุญบา ร, รมีแล้วอันตรธานหนีไปจากที่นั้นยังมิทันที่พระอาทิตย์จะอัสดงมานไปแล้วพระโพธิสัตว์จึงกราบบาเพ็ญจิตตะภาวนาต่อโดยเริ่มเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจะตุถฌานเมื่อจิตเข้าถึงจะตุถฌาน ลมอัศสะปัตสสะก็ดับไปจากนั้นทรงออกจากฌานแล้วทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญากระทั่งทรงบรรลุญาณทั้งสามขั้นตามลำดับแห่งเวลาคือยามต้นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ทำให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้ทรงระลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติ จนถึงหลายๆกับว่าในชาติที่เท่านั้นได้มีชื่อมีโคดมีผิวพันมีอาหารเป็นอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกเป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุดติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงมาเกิดในชาตินี้ยามกลางทรงบรรลุจุตูปปาตยาน คือรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ที่พยะจักขุอันบริสุทธ์กว่าจักขุสามันเห็นปวงสัตว์ที่กำลังอุบัติเลวดีมีผิวพันธ์สามได้ดีหรือตกยากรู้ชัดว่าปวงสัตว์ที่เป็นไปเช่นนั้นตามกรรมของตนยามปลายทรงมรลุอาสวัคขยัยานคือความรู้ ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปหมายถึงรู้อริยสัจสี่รู้ชัดตามจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์เหล่านี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ทางไปถึงความดับอาสะวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จิตหลุดพ้นจากอาสวะสามคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำเสร็จแล้วกิจ อ, อื่นอันจะต้องทำเช่นนี้ไม่มีอีกเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์ได้ตรสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านยามปลายของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งต่อมาเรียกว่าวันวิสาขะบูชาและต้นอสัตถพฤกก็ได้ชื่อใหม่ว่าโพธิพฤกด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุโพธิญาณภายใต้ต้นไม้นี้ที่เราเรียกขานกันในปัจจุบันว่าต้นพระสีมหาโพธิพระมคุเทศสรุป เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเรามาสวดปฐมพุทธพาสิทธคาถาเพื่อระลึกถึงความตรัสรู้ของพระพุทธองค์พร้อมๆกันเพราะทุกคนมีหนังสือแล้วส่วนพระคงไม่ต้องดูหนังสือใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านถามหนูพ่อวัดดอนเมืองครับ หลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบเพราะท่านท่องบทนี้ได้และคิดว่ารูปอื่นๆก็ต้องท่องได้เนื่องจากบวชกันมาหลายพรรษาแล้วแต่ผมท่องไม่ได้ครับพระธวัฒ ต, ตัดสินใจพูดขึ้นทั้งที่รู้สึกอาญาโยมพระคุณทศกับพระรสุคนค่อยมีกาลังใจเพราะท่านเองก็ท่องไม่ได้จึงพากันสารภาพว่า ท่องไม่ได้เช่นกันผมก็ท่องไม่ได้พระมะคุเทศพูดเสียงอ่อยไม่เป็นไรตอนนี้ท่องไม่ได้ก็ดูหนังสือไปก่อนแต่ผมว่าท่านจะต้องกลับไปท่องให้ได้เพราะท่านเป็นมคุเทศคือเป็นผู้นำทางถ้าผู้นำทางไม่รู้แล้วใครจะรู้ผมคิดว่า พวกท่านก็ควรจะท่องให้ได้ท่านพูดกับพระอีกสามรูปเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัวถ้าโยมจะพูดเรื่องจริงพระคุณเจ้าจะว่าโยมเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าคะแต่จะว่าก็ได้โยมไม่ถือโยมกำลังจะพูดว่าโยมท่องได้นานแล้วเพราะตอนเด็กๆ อยู่กับยายยายสอนให้สวดมนต์ทุกวันโยมผงใสพูดแบบเกรงใจพระภิกษุสี่รูปท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่โยมผงใสพูดว่าตอนเด็กๆอยู่กับยายเพราะท่านก็อยู่กับยายสมัยที่เป็นเด็กเช่นกันโยมยายเคยสอนท่านให้สวดมนต์แต่ท่านก็ไม่เชื่อฟังยังดีที่บวชไม่ศึกไม่เช่นนั้นก็คงกลายเป็น มหาโจรดังที่ถูกปรามาทไว้ถ้าอย่างนั้นผมขอนิมนต์หลวงพ่อนำสวด น, นะครับพระเจริญนิมนต์พระครูเจริญผมว่าให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าเพราะท่านอาวุโสที่สุดถึงผมจะอาวุโสที่สุดแต่เสียงไม่ค่อยดี นิมนทั์ท่านแล้วกันหลุงพ่อวัดดอนเมืองมอบหน้าที่ให้ท่านพระครูถ้าเช่นนั้นคนที่ท่องไม่ได้ก็เปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สิบเก้าสมพารวัดป่ามะม่วงบอกแล้วจึงสวดนำว่าหันทะมยังปรมะพุทธพาสิตะคาถาโยพาามเส จากนั้นจึงสวดและแปลพร้อมกันว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้ท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุับปูนังสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน คือตันหาผู้สร้างพการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปขหาการะกะทิโธสิปุณะเคหังนะกาหะสินี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสพาเตพาสุกาภักขาขหากูดังวิสังคตัง โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขาระคตังจิตตังตันหานังขยะมัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาสวดจบ จึงพากันกราบระลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาที่คุณและพระกรุณาคุณเมื่อเง่อยหน้าขึ้นปรากฏมีน้ำใสๆเอ่อล้นอยู่ในหน่วยตาทั้งสองของพระขุนทดและโยมเสงียงพระขุนทดเกิดความละอายว่าบวชมานานแต่ยังสวดมนต์สู้โยมผ่องใสไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเสียทีส่วนโยมเสง์เกิดปิติทราบซ่านและทราบซึ้งในพระพุทธคุณจนถึงกับน้ำตาไหลทั้งที่ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านสอนเรื่องการกราบไว้ว่าถ้ากราบเป็นจะถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวบัดนี้เขากราบเป็นแล้ว มาเป็นตรงสถานที่ที่ตรัสรู้นี่เองท่านพระครูรู้ว่าโยมสิงกำลังคิดอะไรอยู่จึงพูดรับรองความคิดของเขาว่าตอนที่อัตมากราบเป็นใหม่ๆก็น้้ำตาไหลเช่นกันลุงพ่อกราบเป็นมานานหรื อ, อยังครับโยมสิงถามเบาๆตั้งแต่เรียนธท ร, รมกายกับหลุงพ่อสด ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วท่านพระครูตอบได้เวลากลับไปชั้นเพลนและรับประทานอาหารแล้วขอให้เรามาบูชาสถานที่ตรัสรู้คือเจดียสถานพุทธคยาแห่งนี้พร้อมๆกันคำบูชาอยู่หน้าท้ายๆของหนังสือนิมนต์หลวงพ่อว่านำวักแรกด้วยครับ พระมะคุฏเทศมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสวดนำวักแรกแล้วสวดพร้อมไปกับคนอื่นๆดังนี้มหาการุนิโกนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังวิสาขะบุณมีกาเลมหาโพธิวารุตตเมปุเพนิวาสานุสติยานังจุตูปปาตยานัง อาสวัคยายานันจจปัตตาอนุกะเมนิทะอรหังสัมมาสัมพุทธโธโลกานังอนุกรัรมปโกสัทสะทัตสนียันจสังเวชนียเมวะจมังคลัทธานะเมตัมิสัมปตาธานิเยมยังปริสุทธายะสัทธายะ เยการาอาหตาอิเม ah ปิติวัฏฐริตาเหติปูเชมะระตะัตนตยังพุทธปูชัยะทินนัญจอีทางโนกายะชีวิตังธรรมะปูชายะทินนัญจอีทางโนกายชีวิตังสังฆปูชายะทินนัญจอีทางโน กายะทีวิตังอีทิโสมาระชินายังโอกาโสมังคละมุตตะโมพุทเทนะพุทธภ า, าโวโยยถาอธิขโตตถาสัมปติปฏิปัตชามะพุทธตตะมุปะปัจชิตุนติพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรณา ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดณภายใต้มหาโพธิพฤกษ์อันประเสริฐลำเลิศนี้ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะณสถานที่แห่งนี้พระองค์ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตายานและอาสวัคยญาณตามลำดับเป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ชาวโลก บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาถึงสถานที่อันเป็นที่ควรเห็นเป็นที่ให้เกิดความสังเวชและเป็นที่อันเป็นมงคลของกุลบุตรผู้มีศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายมีปิติยิ่งขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสการะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมนำมาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นธรรมบูชาขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นสังฆบูชาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชำระมารโอกาสเช่นนี้เป็นอุดมมงคลข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น เบิกบานตามที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วนากา ร, รบัตนี้เทิน